สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยิพิบาลนะครับในวันนี้เราจะพูดถึงกษัตริย์เบนฮาดัดและกษัตริย์อาหับครับปรากฏอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าหนึ่งพงกษัตริย์บทที่20ข้อที่22จนถึงข้อที่34 1สงพงศษัตริย์บทที่20่สิบข้อยี่งจนถึงข้อที่34โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า หลังจากนั้นผู้เผยพระวจะนะมาเข้าเฝ้ากษัตริย์อาหับแห่งอิสราเอลและทูลว่าขอส่งเสริมกำลังที่มั่นและตรวจตราดูว่าจะต้องทำอะไรอีกบ้างเพราะกษัตริย์แห่งอารำจะกลับมาโจมตีอีกในฤดูใบไม้ผลิครั้งต่อไปขณะเดียวกันบรรดาข้าราชการของกษัตริย์แห่งอารำทูลแนะนำว่าพระเจ้าของพวกเขาเป็นเทพเจ้าแห่งขุนเขาพวกเขาจึงแข็งแกร่ง เกินกําลังของเขาแต่หากสู้รบกันบนที่ราบเราย่อมจะแข็งแกร่งกว่าพวกเขาแน่นอนครั้งนี้ขอให้พวกแม่ทัพไปแทนกษัตริย์ทั้งหลายฝ่าพระบาทต้องระดมทัพขึ้นมาใหม่เหมือนทัพที่สูญเสียไปนั้นพร้อมด้วยม้าศึกและรถม้าศึกจํานวนเท่าเดิมแล้วพวกข้าพระบาทจะสู้รบกับอิสราเอลในที่ราบได้เราจะแข็งแกร่งกว่าพวกเขาอย่างแน่นอน เบนฮาดด์ทรงเห็นด้วยและทําตามที่พวกเขาทูลในฤดูใบไม้ผลิต่อมาเบนฮาดด์ทรงเกณฑ์ทัพอารำมยกมาที่อาฟเฟกเพื่อรบกับอิสราเอลฝ่ายอิสราเอลก็ระดมพลและแจกสเสบียงแล้วเข้าสู่สนามรบกองทัพอิสราเอลตั้งค่ายประจันหน้าแลดูเหมือนฝูงแกะเล็กๆสองฝูงเมื่อเทียบกับกองกําลังมืดฟ้ามัวดินของอารำม คนของพระเจ้ามาเข้าเฝ้าและทูลกษัตริย์อิสราเอลว่าองค์พระบูญเจ้าตรัสว่าเนื่องจากคนอารัมคิดว่าองค์พระบุญเจ้าเป็นเทพเจ้าแห่งขุนเขาไม่ใช่เทพเจ้าแห่งที่ราบเราจะมอบกองทัพหึมานี้ไว้ในมือของเจ้าแล้วเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือพระยาเวกองทัพทั้งสองตั้งค่ายประจันหน้ากันเป็นเวลาเจวันแล้วในวันที่7ก็เปิดฉากครบ ในวันนั้นชาวอิสราเอลฆ่าฐานราบของซีเรียไป1น0 0 0แสนคนที่เหลือหนีเข้าเมืองอาเฟกซึ่งกำแพงเมืองทลายลงมาทับพวกเขา 27,000 นเ็นคนเบนฮาดัดหลบหนีเข้าไปในเมืองและซ่อนตัวอยู่ในห้องชั้นในแห่งหนึ่งบรรดาข้าราชการของพระองค์ทูลว่าพวกข้าพระบาทได้ยินมาว่ากษัตริย์อิสราเอลนั้นมี จิตใจเมตตาขอให้พวกข้าพบาทนุ่งผ้ากระสอบเอาเชือกคาดศีรษะไปเข้าเฝ้ากษัตริย์อิสราเอลเผื่อพระองค์จะทรงไว้ชีวิตฝ่าพระบาทและพวกเขาก็นุ่งผ้ากระสอบเอาเชือกคาดศีรษะเข้าไปเฝ้ากษัตริย์อิสอราเอลและทูลว่าเบนฮาดัดผู้รับใช้ของฝ่าพระบาททูลวิงวอนว่าขอโปรดไว้ชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิด กษัตริย์ตัดว่าเขายังมีชีวิตยอยู่หรอือเขาเป็นน้องของเราคนเหล่านำรีบช่วยโอกาสทูลว่าพระเจ้าค่ะเบนฮาดัตพระอนุชาของพระองค์กษัตริย์ตรัดว่าไปรับตัวเขามาเมื่อเบนหาดัตมาถึงอาหับก็เชิญให้ประทับร่วมกันในราชรถเบนหาดัตทูลเสนอว่า ข้าพเจ้าจะคืนหัวเมืองต่างๆที่เสด็จพ่อของข้าพเจ้ายึดมาจากเสด็จพ่อของท่านและท่านจะตั้งแหล่งค้าขายในเมืองดามัสกัสเหมือนที่บิดาของข้าพเจ้าได้ตั้งในเมืองสมาเรียก็ได้อาหับตรัสว่าเราจะปล่อยท่านไปตามเงื่อนไขของสนธิสัญญานี้ทั้งสองจึงทำสนธิสัญญากันแล้วอาหับก็ปล่อยเบนฮาดัดไปเพียงครับ เราจะเห็นว่านี่คือการทำสงครามครั้งที่สองครับหลังจากที่ครั้งแรกและคนอารัมหรือเบนฮาดัดนั้นก็พ่ายแพ้หนีไปกษัตริย์เบนฮาดัดแห่งอารัมและพวกพลมาหรือกองทัพนั้นหนีไปอิสราเอลก็ยึดม้าศึกและรถม้าไว้จำนวนมากแต่พวก บรรดาขาราชการของอารัมก็ทูลแนะนํากษัตริย์เป็นหดาดบอกว่าพระเจ้าของพวกเขานั้นเป็นเทพเจ้าแห่งขุนเขาพวกเขาจึงแข็งแกร่งเกินกําลังของเราพี่น้องครับพระยาเวนั้นทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นพระเจ้าของขุนเขาพระองค์ก็ยังเป็นพระเจ้าแห่งน้ําทะเล โปร่งส่งเป็นพระเจ้าแห่งที่ลาบเช่นเดียวกันในขณะที่ความเข้าใจของบรรดาชนต่างชาติก็คือพวกอารัม ห, หรือพวกเบนฮาดัดนั้นเป็นพวกที่เรียกว่าเขาเข้าใจความจํากัดของเทพเจ้าต่างๆ เ, เขาจะมีเทพเจ้าแห่งขุนเขาจะมีเทพเจ้าแห่งสงครามจะมีเทพเจ้าในเรื่องราวต่างๆซึ่งมาจากสมัยกรีกครับความจริงแล้ว แนวคิดเรื่องพระเจ้าหลายองค์หรือเท พ, พเจ้าต่างๆนั้นก็เป็นแนวคิดแบบกรีกเป็นแนวคิดแบบฮินดูหรืออินเดียเป็นแนวคิดที่ไม่ใช่โมโนเทิสติกก็คือเป็นแนวคิดที่เชื่อว่ามีเทพหลายองค์หรือมีพระเจ้าหลายองค์คำว่าโมโนเทิสติกนั้นโมโนแปลว่าหนึ่งครับเทิสติกมาจากคำว่า t ทิสซึมก็คือความเชื่อเรื่องพระเจ้าที่มีองค์เดียว โมโนแปลว่าเดียวหรือ1แต่โพรีเทิสติกนั้นเป็นความเชื่อหรือแนวความคิดที่ว่ามีพระหลายองค์มีพระเจ้าหลายองค์นั่นคือความแตกต่างระหว่างชนชาติอิสราเอลซึ่งเป็นโมโนเทิสติกกับบรรดาชนชาติทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบอิสราเอลก็คือโพลีเทิสติกพี่น้องครับเราจะเห็นว่าคาว่าพระเจ้าของพวกเขาเป็นเทพเจ้าแห่งขุนเขานั้น เป็นคําพูดที่จํากัดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหลายครั้งทีเดียวในชีวิตของเราเราเองนั้นแม้ว่าจะรู้ว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่แต่ในทางปฏิบัตินั้นหลายหายครั้งทีเดียวเราไม่ได้ให้พระเจ้าเข้ามาช่วยในบางสถานการณ์ของเราที่เราคิดว่าเราสามารถช่วยตัวเองได้เราสามารถพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญเราสามารถพึ่งพาแผนการสติปัญญาของคนอื่นๆได้ สิ่งเหล่านั้นครับอาจจะเทียบเท่ากับความคิดในแนวที่ว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าแห่งขุนเขาเราพยายามที่จะให้พระเจ้าอยู่ส่วนพระองค์ในช่วงที่เราตกทุกข์ได้ยากเราลำบากเราถึงจะเรียกใช้พระองค์พี่น้องครับหลายหละครั้งทีเดียวคาว่าเรียกใช้นั้นดูเหมือนว่าพระเจ้านั้นเป็นคนรับใช้เรา และเราก็ทำเช่นนั้นจริงๆครับในเวลาที่เราเป็นโรคที่รักษาไม่หายเป็นโรคร้ายเราก็ร้องเรียกพระเจ้าแต่ในขณะที่เราดีๆอยู่นั้นเรากิดว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าแห่งการบำบัดรักษาแต่เราไม่ได้คิดว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าแห่งธุรกิจแห่งหน้าที่การงานพระเจ้าสามารถที่จะดูแลทุกสิ่งในชีวิตของเราได้เพียงแต่เราจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่ นั่นคือสิ่งที่อาหับนั้นจะต้องเรียนรู้และเบนฮาดัตซึ่งเป็นศัตรูกับอาหับในช่วงนั้นก็ต้องเรียนรู้ด้วยเช่นเดียวกันครับพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าแห่งขุนเขาก็จริงและพระเจ้าเป็นพระเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างของสปปรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับกษัตริย์อาหับนั้นเป็นกษัตริย์ที่เฉลียวฉลาดมากเมื่อรบชนะเบนฮาดัตแล้วเขาก็รีบผูกมิตร กับเบนฮาดัดทันทีโดยการให้อภัยโทษหลังจากที่กองทัพของซีเรียนั้นได้พ่ายแพ้ต่ออาหับครับในข้อที่29บอกว่ากองทัพทั้งสองข่ายตั้งประจันหน้ากันเป็นเวลา7วันวันที่7ก็เปิดฉากรบอิสราเอลก็ฆ่าทหารราบของซีเรียไปสักหนึ่งแสนคนที่เหลือก็หนีเข้าเมืองอาเฟก กำแพงเมืองอาเฟก็ถลายลงมาทับพวกเขา 27,000 นนคนในที่สุดแล้วพวกซีเรียนะครับก็เสียทา 1, 2, 000, 000, 000, 000, 000, 000. หารไป 1,27,000 นเคนเป็นฮาดดัตแพ้ครับหลบหนีเข้าไปในเมืองซ่อนตัวอยู่ในห้องชั้นไหนบรรดาข้าราชการของเบนฮาดดัตก็บอกว่าพวกอิสราเอลนั้นโดยเพ่าหยิงกษัตริย์อิสราเอลนั้นมีจิตใจเมตตาถ้าเรายอมแพ้ยกธงขาวนุ่งผ้ากระสอบ เอาเชือกคาดศรีรษะไปเข้าเฝ้ากษัตริย์อิสอ เ, เอลเผื่อว่าพงจะไว้ชีวิตฝา่พาพระบาทกษัตริย์เบนฮาดับก็คิดเอาชีวิตของตัวรอดก่อนครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนุ่งผ้ากระสอบและในที่สุดก็ได้รับการไว้ชีวิตเพียงนั้นครับการไว้ชีวิตนั้นแสดงให้เห็นว่ากษัตริย์อาหับนั้นเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดเพราะว่าผูกมิตร เพื่อที่จะต่อสู้กับมหาอำนาจใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คืออัดซีเรียอัดซีเรียนั้นอยู่ทางภาคอีสานนะครับหรือทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอลและของพวกอา ร, รมัมก็คือพวกซีเรียและนั่นนะครับจะนํามาซึ่งการสงครามอีกครั้งหนึ่งของชีวิตของกษัตริย์อาหับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราได้รับบทเรียนว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้า แห่งฟ้าสวรรค์และโลกพระเจ้าสามารถที่จะช่วยทุกสิ่งทุกอย่างในทุกๆเรื่องทุกๆด้านในชีวิตของเราที่เราแม้ว่าจะสุขหรือทุกข์หรือว่าจะเจ็บป่วยหรือสุขสบายพระเจ้านั้นต้องการให้เรานั้นให้พระองค์เป็นพระเจ้าในทุกๆส่วนทุกๆด้านของชีวิตคาราสการของเบนฮาดด์ไม่เข้าใจว่าพระเจ้าต่างหาก ที่สามารถประทานชัยชนะในสงครามไม่ใช่รถม้าศึกไม่ใช่ความเชี่ยวชาญทางการรบของพวกอิสราเอลบนภูเขาสิ่งที่น่าเสียดายครับก็คือว่าอาหับนั้นได้เจราจาทำสนธิสัญญากับเบนฮาดด์โดยที่ไม่ได้ปรึกษากับพระเจ้าก่อนและในที่สุดนั้นสนธิสัญญาแบบนี้จึงทำให้กษัตริย์อาหับนั้นต้องตก ที่นั่งลำบากอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้เราจะพบกันครับว่ากษัตริย์อาครับตกที่นั่งลำบากได้อย่างไรขอบเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะเชื่อฟังพระเจ้าและจะให้พระเจ้านั้นได้มาครอบครองในทุกๆด้านของชีวิตของเราทุกๆเหตุการณ์ในชีวิตของเราให้เราพึ่งพาพระเจ้าพึ่งพิงในพระองค์อเมน